ในภาสิทธิยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบรัศมีสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภายคูกคามแล้วก็บิงไปอย่างนั้นเอง ตามภาสิตที่ว่านี่ท่านบอกภะหิเวชานังยันติปปัตตานิวันนานิจจ์อารามรุกะเกตุญานิมนุษาพพัจตัดชิกาเนตังโคสระนังเข้มังเนตังสระนัมุตตะมังเนตังสระนัมะมะมะสับรุข้าปะมุจจะติมนุษย์เมื่อถูกภัยผู้ค้ามแล้วยอมบิ่งหาที่พึ่งต่างๆตาม ที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปขึ้นต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการวงสวงเป็นสวงไหวบอนอะไรต่างๆนาๆนานพ้นจากทุกจากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมรุกอภิเจตยานี้ไป ตามเจดีร่างบ้างเองว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสาังเข้มบางนั้นฉะนั้นนั้นไม่กเกษมฉะนั้นนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงจากอย่างไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นนี่ตาม บาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุท ธ, ธันจะทำมันจะสร้างคันจะเสื่นั ง, รรนงกระโตผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นชนะจะตาริอดยสัจจานิสมะปัญญายะปัดสติลุกข้างลุกขะสมุปปาดังลุกกษัจจะติกัมมัง เรียนกระทั่งยีกังมากรังรดอคู่ปะสมังการมีหนักนะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมากอย่างกระจัดใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์แ่ะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่ง พ้นทุกข์ไปโดยสิ้เนเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเล ย, อยเอตังโคสะรนังเข้มังเอตังสนะมุตตะมังเอจตังสะน า, ามะกามะสัปปุฆาปุโม ต, ตินั่นแลเป็นทานะอันกเกษมเป็นทุนะอันปลอดภยัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวง น, นี่นี่เป็นสูตร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 ถึงสุมสีุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นมีชอวสะสาระอันกระเสยียมีจิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการะานหนึ่งจนได้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 ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังทำมางังสทงขังพุทธังจะทำมังจะสังขันจะเ ท, ะทะนังกระตกนี่ให้ถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันทุกสะกลกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์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 ใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนคุณเคืองด้วยจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นๆให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำซักซาคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งและยผลก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเอง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 ก็ดับทุกคือความมุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลมุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ที่ขึ้นทีจิตแล้พยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเปลี่ยนของเราเรื่องโลกาเราจะว่ากว้างมันก็กว้าง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 ส่วนเรื่องกิจใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสําคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสักตวาพุทธรัตนังโอสุทั้งอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสุทั้งอุตมังวังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจรึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจ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 หมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรามานเพราะความไายหนักหรือป่วยหนักของใจด้วยพิเรตาสมาเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภกทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้ว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 เพราะเราอยู่ในถ้ำกลางแห่งกองทุกจะไม่ให้เกิดทุกภายในบุคคลในตัดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกอยู่แล้วธาตุขันเรานี้คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียรยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้เนี่นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้คดีธรรมโอโสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเรา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 ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลาย ท, ท, ทั้งที่เราทํางานอยู่เรายังเรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอธิธรรมคือพุทธังธรรมังสังขังภายในจิตใจของเราไม่ได้เนี่มีเรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบํารุงน้ํำใจเราอยู่สมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากวิเลสอาสวะไปโดยลําดับ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 คำมากิเลสนั่นแหละคือเชื้อไฟอันสําคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสึือเป็นเชื้ออันสําคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ําคืออัดคือทำคือความดูทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้นี่เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลาย พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอาด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอย่าให้เสียที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลย ยเียวว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ตําด้วยการประพึกก่อโกลทุกข์มาเผารมตนเองนี่ไม่สมควรแก่วความเป็นมนุษย์เดาอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุขดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้สอบเสแสร้งหาโดยทางที่ถูก ความสุขจะเป็นขึ้นที่ปิดใจของเราเองมีคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่ที่ที่เพื่งผิดกับคนแสวงหาที่ทุกที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมันในบทธรรมเบื้องต้นจึงได้พูดกันก็ว่าพระเวสสันดรยันติการสอบแสวงหาที่พึ่งที่โลกภัยให้เป็นที่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 พูวนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีมาชุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันกเกษมพอ ร, รู้แจ้งสัจธรรมทั้งกีโดยรอบภาณจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบ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 ถ้าคนที่ระ ล, ลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทําถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัศน์นั้นเป็นไปได้เทวทัศน์ก็เป็นขนาดที่คอยทํานายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัศน์ก็เห็นโทษผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์ของเทวทัศน์นั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตําหนิปิเตียนหรือลบล้างศาสนาคือศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ลบล้างบุญลบล้างบาป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 พยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอของตอนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความวุ่นวานมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเงย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเองเท่าที่จิตหาความสงบเงย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวาย นั่นแหละเป็นเครื่องก่อควงเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นนันนี้ไะอธิบายถึงเรื่องการเจาะแสวงหาที่พึงให้ท่านทั้งหลายฟังทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเส้นเอานำมารเพื่อปฏิบัติเสาะแสวงหาที่พึงของตน ภาณในจิตใจอ ท, ที่พึงอันเหมาะสมได้ที่พึงอันกเกษมแล้วจะมีความกเกษมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยึดติดทางเพียงเท่านี้